มันจะยิ่งเป็นตัวเร่งเราในการที่จะทําให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายในสังสารวัฏและเราจะออกจากมันี้ได้เห็นไหมว่าสังสารวัฏไม่ว่าจะอยู่นะมุมใดของจักรวาลมันไม่มีที่พึ่งมันไม่มีที่ปลอดภัยเลยทํามองนี้จะเห็นคําว่ากรรมและผลของกรรมเนี่ยชัดคำว่าเห็นกรรมและผลของกรรมชัดเนี่ยมันจะเห็นไง <c oughs> เห็นพุทธคุณ เห็นพุทธคุณว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสจริงแท้ไม่แปรผันใช่ไหมปัญดาวสัตว์ทั้งหลายที่ทากรรมแล้วจะต้องรับผลของกรรมแล้วก็เห็นว่ากรรมดํามีวิบากดำเป็นยางไงกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวมีวิบากทั้งดําและขาวคล้าเข้ากันกรรมเม็ดําเม็ขาวมีวิบากที่ไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเราจะเดินกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวนี่แหละ เพื่อเป็นปัจจัยต่ อ, อการออกจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้พอเห็นสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอย่างนี้ก็สะเทือนสะดุ้งสะเทือนเห็นภัยในสังสารวัตน้อมในการที่จะออกจากวัตจัออกจากสังสารวัตรให้เร็วที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่คิดอย่างนี้ไปไหวไหมมัน <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้แหละแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่ แค่อบายะหมอยถึงว่าคือไม่ใช่แค่เราเห็นสัตว์แต่จริงๆมันไม่ผิดกับที่เวลาที่เราเห็นคนในสนังคมมันก็นกนมันก็ทำเหมือนกันนี่ก่าจะได้ปัญญานะมันต้องใช้เวลาเยอะอจริงๆนะมนุษย์เลยนะแต่ก่อนมันมองไม่เห็ น, นะหนใชไไนไน่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นความต่างระหว่างคนกับจ่าตอนนี้มาถึงวันนี้หยุดไม่อยู่แล้วเนะี <c oughs> ย่ยเรียมประมาทไม่ได้จ้าอา <c oughs> จารย์เรมประมาทไม่ได้เลยจริงอ๋อยอมดาก็จะเข้าป่าแล้วเนี่ยจะเข้าป่าส่งลูกมาให้ดู ต, ดตัดผมเตรียมตัวจะวิเว้มีความมุ่งมั่นว่าจ๊ะ ได้ที่ต้องบอกเลยนะ่ยยำดาเขาห่วงอะไรตอนนี้ไม่ห่วงอะไรเลยมันก็คัตอนนี้ถ้าพูดถึงเขาก็ปกไปได้วยความเ<น>ขาบอกก็อบอกอย่างอื่นตัดได้นะอย่าเพิ่งตัดยอมอมหนวยนะอันนี้เราแล้วบอกว่าเ อ, อไม่บอกก่อนธรรมนาต้องขออนุ ญ, ญาตตั้งอะไรบอกอันนตรตัดสินใจแล้วว่าจะไป เขาไม่ได้บอกก่อนจนสองวันนี้ก็บอกว่าจะไปแล้วนะเดิมต้องขออนุ ญ, ญาตเหมือกัาจะไม่อยู่ด้วยเดี๋ยวแบบอันนี้พี่ไม่ไม่บอกเลยแต่สองคนนั้นพี่อิงทั้นพิ่ดาก็าแบเสียดายปีไม่ได้มาได้การจริงจริงเสียดายไม่ <laughs> จริงจริง <laughs> เรียนไปแล้ว กพลังสะสมข้อมูลแล้วความเข้าใจมันก็ชัดขึ้นเยเจะาคามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อีกแล้วมันอยู่ที่การที่ได้เข้าใกล้จริงๆทําคือข้อถาจริงๆมันทำที่ตรงนี้เป็นลามานีสถานก็ได้จริงๆเป็นแล้วเลย ที่สำคัญคือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนถ้ามีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจ ต, ตามไปแล้วมันอยู่ได้ทุกที่พุทธเจ้าตรัสบอกว่าไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าป่าไม่ว่าบ้านผู้สงบบาปอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นรามนียสถาน <c oughs> จริงไม่จริงต่อให้อยู่ในป่า หรืออยู่ในบ้านถ้าสงบบาปในใจไม่ได้ที่ตรงนั้นก็ไม่เป็นรมณียสถานอยู่ดีถ้าป่าเป็นรมณียสถานนกเป็นต้นที่อยู่ในป่าก็พากันมันรู้มากกว่าที่บ้านกันลยใช่ไหมใช่ไหมนะทำไมเขาถึงได้ความวุ่นวายตลอดเลยอจากนั้นร้องกันให้เกี้ยวเจ้าหมดมนุษย์มันถูกหลอกเนี่ย มากมายใช่จะมาถูกหลอกจริงๆแต่ก็อันฉันก็วิ่งไาอย่างนั้นแหละมันไปอยู่เมื่อสองพันหร้อยยี่สกฉันมีอยู่ตาปยาฉันจะไม่หนีมันมักเลยก็ระลบกันเข้าหนีหมดฉันบอกฉันไม่หนีอันนี้อยู่ตรงนี้แหละเขาก็ยิงกันนะแม่ถ้าถูกยิงตายตรงนั้นจะสวยแท้ตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้ตามมาเลยเลย กล้าได้ดูเฉยชีวิตเขายิงกันลื่อืเยเยนั่งนั่งสมาธิเฉยเลยถือว <c oughs> <c oughs> ่าโอ้ดูดูซึ่ง ม, มันไม่ตรงกับคำสอนในคำสอนก็นให้หนีเ <c oughs> คาจรีบออกมาสถานที่ที่คนทะลอะกันใช่ไหม <c oughs> ไม่เหมาะในการเจริญกรรมฐานเนี่ยเราดูเราบ้าบิน <c oughs> นั่งกรรมฐานดูเออไม่ตายบุญแท้ ไอ้คำว่าไม่รู้และขยันนี่จะจังแม่นเลยมันขยันที่บิถีทางนี้นี่แต่ก็รู้กลางวันนี่ไปกลางวันรู้กลางคืนนี่รีบนี้กลางคืนนี่ที่ไหนที่คนขันแย้งกันกันนะเราคอยยืนนั่งอ mm hmm. ยูอ่เจ้า บ, บ้านก็ขึ้นไปตาม ตอนนั้นตาพยากระมนกับไทยกล็ลบกระหมนแดงกับกะมนสามไปยไทยก็ต้องยันเขาไว้แเราก็แน่แว่างานเนี้ยไม่รู้เ ก, กือบไปทั้งนตงนี้ได้มานั่งอีอันนี้พิการไแล้วงก็ตายแล้วตายกต็ต ก, กนรก้วกม ถ, ถ้าระหว่างนั่งกรรมฐ า, านเนี่ยเท่าไหร่เราไม่รู้ครับพระโดนพเพิ่บอาจจะมาร้องโอยโอ ย, โอยใ ช, ไ, ใชได้ในชีวิตไม่ ด, ไดีขึ้นมาก็ตกนรกได้ควา ม, มไม่รู้ไม่รู้ี่เมตอนนี้นมันหวาดเสียวในชีวิตที่ผ่านมาใช่จ้ะค่ะที่เราโอ้โหอะไร ขอขอขอไม่ไม่ขึ้นได้ถ้าเกิดเขาตายตอนนั่งธรรมานสมมุติว่าโมหะก็เลยอยากสามเข้าไปในสภาวะธรรมไอ้คําว่าโมหะเนี่ยมันเกิดร่วมกสติได้ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมสองตัวนี้มันสลับกั น, ม, นมันเกิดสลับกันมันเกิดต้องแต่ว่าในดวงจิตหนึ่งดวงจะต้องตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งต้องไม่มีใช่ขอขอบคุณครับเข้าใจแนละ้ว ในขณะที่เรารู้ถึงลมสติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลมมันก็คือโมหาไม่มีไม่แน่แล้วดูลมโมหามีก็ได้ทั <c oughs> ่วควายมันก็รู้มันหายใจบาทีรู้ลมมันไม่จะมีสติเสมอมรู้ด้วยความวิตกกังวลก็ไดนะ้ใช่ไหมเง้นคนที่ไปออกกำลังกายโยคะก็เป็นสติใช่เพราะว่ารู้รมมลมตลอด สติเป็นคนละเรื่องสตินอกจากะระลึกแล้วตรงนั้นมันต้องเป็นกุศลด้วยมันต้องเป็นความดีเป็นกุศลจิตมันต้องปลอดโลงไม่ใช่แค่ะรละลึกแหมระลึกจ้องจะคอยยิงปลาตกปลาก็นระลึกเหมือนกัร น, น <c oughs> <c oughs> ะระลึกแม่นคอยโหตื่นเต้นเลยนะตอนที่มันปะทุนมันโดนปึ๊บปึ๊ป <c oughs> ไรแบบนีสนุกว่ายังเคยมีตอนเด็กๆอุ้ยปึ๊บ ปึกพอนินืโอ้โหสนุกเลยมันตั้งจ้องอย่างนี้ะนะคบคุณผู้มมันมันเป็นทั้งโลภตัวสามมอือตอชิคๆโอ้โหดีใจบางทีโกรธมันนี่ไม่มาสักทีมาจ้องอยู่นั่นแหละใจไม่ไม่ดูเวลาเลยนะลืมเวลาเลยนะามาเปลี่ยนเปลี่ยนเง ย, ยื่ใหม่ยือองไปปุ๊บ อห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทไีไม่กินเอามาใหม่ไปที่อื่นนะเป็นสติหไหมใชครับเรียนวิชาสติอกุศลนีนอ่อย่าไปบอกว่าจ้องลมมันจะเป็นกุศลอย่างนี้วเพราะฉะนั้นอย่างเวลายโยคะซึ่งเราต้องตามลมเข้าลมออกตลอดเวลา การที่จะมีให้เป็นกุศลเนี่ยก็คือเมื่อน้องว่าเรากำลังทากายภาวนา<ช>เป็นไปเพื่อ<ช>รักษา<ช>ประคองขันหา<ช>้าเป็นไปเพื่อมันต้องเป็นไปกับพารตะรนาตราไม่เป็นไปกับความดีไม่เป็นไปกับกุศลไหม<ช>โอ้มันต้องดูหลายอย่างอง์ประกอบนะมันไม่ใช่แค่จ้องดูลมดูลมแล้วตายในขณะนั้นไปในล็อกกันเยอะแยะ เข้าใจจะขาดเขาก็กังวลดูลมของเขาอยู่ใช่ไหมโดนยิงโดนอะไรเนี่ยอึดอึดอดอดูลมนะตอนนั้นอาจารยจ้องดูลมตัวเองเอยู่เราหมดแล้วหมดแล้วเราตายแล้วตายแล้วลมเราหมดแล้วลมเราหมดแล้วนรกเนี่ยดูลมกับนรกอ๋อไปเกิดเป็นหนอนที่หัวใจแล้วแต่แล้วแต่นี่ไม่เกิดเลยคือแม้แต่การจ้องดูลมขึ้นยีบใช่กุศลไม่เกิดใช่ไหม มันไม่ใช่แค่แค่ว่า <laughs>